พระธรรมเทศนาแผ่นที่101ดลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่8มกราคม2560มีชื่อเรื่องว่ายาเสพติดช น, นิดร้ายแรงอ้าวลูกหลานอยู่ในความสงบผู้ใดมีลูกหลาน เสียงออแอเสียงดังรบกวนหมูพวกเพื่อนเอาออกไว้ไปข้างนอกใหญ่ใช่กว่าจะค่อยมาฟังเทศลงตามาฟังคำพูดลงตาแต่ลงตาก็คงจะแก่ไปเรื่อยแล้ววะ <c oughs> อาจจะพูดไปอาจจะพูดไม่ได้ไม่กี่ปีก็คงจะหยุดพูดแนละ้ลูกล้านเพราะแกจะพูดได้ยังไงฮะเห็นไห้ลงปูบนมีลงปูลี ท่านแก่แล้วนะพูดไม่ได้หลวงพ่ออินจะไม่แก่หรอกหลวนะลงพ่ออินก็แก่เหมือนกันนะ่ะถ้าแก่แล้วก็จะหยุดพูดช่วงนะี้ยังพูดได้อยู่ยังแสดงความคิดความเห็นบอกกล่าวแนะนำลูกหลานได้อยู่ก็พูดพูดไปนะแต่อีกไม่นานก็คงจะหยุดพูดละขณะที่ยังพูดได้โยลูกหลานฟัง ฟังแนวความคิดเห็นของหลวงพ่อเนพะระหลวงพ่อเนะี่ยชีวิตทั้งชีวิตทุ่มเทในพระพุทธศาสนาจะว่าไม่ทุ่มเทได้ยังไงฮะบวชมาจะเป็นเนนน้อยอายุสิบเหตย่างสิบสองปีเดี๋ยวนี้ก็เจ็ดสิบสองปีแล้วอยู่ในภาคการเสาพัดอยู่ในภาคคุม ผ้าเหลืองของพระพุทธเจ้าเป็นเวลาทั้งหกสิบปีเลยอายุเจ็ดสิบสองอายุเจ็ดสิบสองบวชเป็นสมณะเป็นพระเป็นเนยเลยหกสิบปีลูกหลานว่าไม่ทุ่มเทได้ยัยงไงใช่ไหมล่ะเพราะนั้นลูกหลานต้องฟังเข้ามาแล้วต้องฟัง หลวงพ่อทุ่มเทในไฟในพุทธศาสนาถึงขนาดนี้มีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยลูกหลานต้องฟังพอเราฟังเสียงร้องรำทำเพลงอยู่ข้างนอกเราฟังมา พ, พอแรงแล้วแต่เข้ามาสู่วัดมาเพียงย0 3สนาทีเนี่ยจะมาคุยกันอีกมาคุยกันอีกอย่างมานเสียงอะไรต่อไม่อะไรรบกวนกันอีกไม่น่าจะถูกนะ เพราะนั้นต้องฟังฟังผิดและถูกเรามีหัวใจเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าพูดผิดหรือพูดถูกเป็นศีลเป็นธรรมไหมนะไม่ใช่ว่าหลวงพ่ออินพูดแล้วจะเชื่อทั้งหมดถูกต้องทั้งหมดไม่ใช่หลวงพ่อไม่ได้รับรองให้พวกท่านไปกันกรองเองถึงหลวงพ่อจะบอกแต่หลวงพ่อเนี่ยมั่นใจนะมั่นใจว่าพูดถูก <c oughs> เกินร้อย จึงมานำมาพูดให้ลูกหลานฟังแต่ลูกหลานฟังแล้วก็ต้องนาไปกันกรองอกีกยอมรับไรไหมอันนั้นเป็นหน้าที่ของลูกหลานท่านผู้ใดมีความรู้สึกนึกคิดจิตปัญญามากน้อยแค่ไหนนั้นเป็นหน้าที่ของลูกหลานจะต้องนําไปกันกรองอีกทีนึงวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8ด มกราคมพุทธศักราช 2,560 แต่วันนี้หลวงพ่อจะได้หลวงกรุงเทพและลูกหลานนะเพราะว่างานของหลวงปู่วิรยังที่วัดธรรมมงคลสุขุมวิทซอยร้อยหนึ่งหลวงพ่อลงมาติดต่อกันเป็น ปีปีนี้เป็นปีที่สามท่านนิมนต์แต่ว่าต่อไปปีต่อไปลราพ่อก็ต้องมอง ด, ดูตนเองอีกเหมือนกันนไะหไหวไหมแต่ปีนี้ดูสุขภาพแล้วก็คิดว่าน่าจะพอไหวก็จะลงไปแสดงมุทิตาสักกะเพราท่านอายุ90กว่าปีแล้ว 96-97 ้ 96, ปีละมั้งปีนี้เป็นพระผู้ใหญ่ ถ้าหลวงพ่อจะได้ลงไปแล้วก็ในงานของท่านไปถึงที่นู่นกับประมาณชักวสองสามทุ่มแต่จะได้กล่าวปาลบท่านทางคณะสิทธิานุสิทธ์ของท่านจะให้หลวงพ่อเป็นกล่าวแสดงธรรมประมาณสองทุ่มกว่ากุงจะเป็นองค์สุดท้ายมั้งแล้วก็เป็นวันปิดรายการอีกวัน วันนี้เป็นวันเกิดของหลวงปู่วันนั้นหลวงพ่อจะได้ลงไปข่าวเนี่ยไปเขาเนี่ยไปสองงานญาติโยมของหลวงตาของเราเนี่ยกลุ่มกลุ่มของหลวงตาลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาที่ถวายถวายกระถินหลวงตาแล้วก็ถวายที่ดินหลวงตาสร้างพเพจดีดีแล้วก็ถวายเงิน หลวงตาสร้างเจดีย์ลงตานะร้อยล้านเนดะีนน๋ยวมลทำบุญคงจะทำบุญประจำปีมั้งหลวงพ่อได้รับปรับคณะสงฆ์คงจะไปฉันจังหันวันพุ่งนี้นะเสร็จแล้วก็คงจะกลับไปคืนเดียวนะลูกหลานนะไปคืนเดียวแล้วก็จะกลับถึงอุดรเขาคงจะต้นไปบายนี่แหะบอกให้ลูกหลานได้รู้อะไรทราบนะ วันพุ่งนี่หลวงพ่อไม่อยู่กลับมาตอนเย็นเนี่ยแหละภาละธุระแต่ถึงยังไงก็ตามนะอันนี้คือศาสนกิจในพระพุทธศาสนาครูบาอาจารย์แต่หลวงปู่หลวงตาที่ท่านหลวงปู่เวรยังท่านก็นี่โปรโมท แนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนทุกหัวละแหงไม่ว่านอกประเทศในประเทศก็เป็นที่รู้จักดังเ ด, ด่น ด, ด, ดังในต่างประเทศแล้ก็ในไทยประเทศไทยที่ท่านบอกว่าตั้งชื่อว่าพลังสมาธิจิตตานุภาพแต่ตามไม่จริงคำว่าจิ ต, ตานุภาพคานี้ มันก็ถูกนะเพราะอะไรเพราะในหลักของพระพุทธศาสนาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่ามโนโปุพังขมาธรมามโนเสรษฐามโนมายาอันนี้คือตัวหลักอยู่แล้วแปลว่าความหมายว่ามีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจคือว่าพลังสมาธิจิตตานุภาพ ถ้าคนไม่มีจิตไม่มีใจก็เหมือนท่อนไม้ที่มหมดจิตวิญญาณเหมือนคนตายก็หมดสภาพแต่เรียกว่าจิตนตานุภาพก็คือคนที่มีแนวความคิดแต่แนวความคิดตัวเนี้เจ้าเราจะหล่อหลอมให้เป็นพลังได้อย่างไรแต่ถ้าว่าเราไม่หล่อหลอมไม่เป็นพลัง ก็เหมือนกับ เ, เราพวกเราคงจะเคยเห็นช่างเขาตัดเลเขาตัดแผ่นเหล็กแล้กวกาตัดท่อนเหล็กถ้าหากว่าไฟแก๊สลมทั้งไฟทั้งแก๊สทั้งลมออกมาแล้วก็จุดไฟไฟก็ไหม่แก๊ส พอไฟไม่แก๊สลมก็ลมก็เป่าออกไปอพอเป่าออกไปมันมันเป็นเขาหลี่ผลีหัวหัวตัดให้มันไฟเขียวปัดพอควายไฟเขียวปัดตัดใส่แผ่นเหล็กเหล็กหนาข น, นาดเป็นสอกเป็นคืบเลยเป็นคืบเป็นสอกเลย ยังขาดทะลุได้พวกเราคิดดูสิทำไมมันจึงทะลุได้ทั้งที่มันเป็นไฟกับแก๊สกับลมท่านเองมันไม่ได้แข็งอะไรแต่ทำไมตัดเหล็กขาดก็เพราะมันเป็นพลังมันเป็นพลังของมันมันเป็นอนุภาพของมันจี้ลงจี้ลงไปแผ่นเด็กละลายเลยนี่แหละ อันนี้ก็คือความเป็นหนึ่งเดียวความเป็นพลังรวบรวบมให้เป็นพลัง้ามันแตกกระจายไปเนี่ยทั้งน้ำทั้งลมทั้งไฟเอาน้ำมาสาดาก็เป็นถังเข้าไปมันก็ไม่ตัดเหล็กไม่ขาดเอาไฟสุมเข้าไปไฟมากขนาดสุมก็ไม่ขาดเอออลมเป่าขนาดไหนก็ไม่ขาดแทน่นแท่นเหล็กแต่มันรวมกันทั้งน้ามันไอ้ทั้งแก๊สทั้งไฟทั้งลม เป็นหนึ่งเดียวนะมาใสเข้าไปในท่อเดียวกันเออแก๊สมันก็ออกมาลมก็เป่าไปไฟก็ไหมความร้อนมันกระโจยกระจายเลยรตันะี่ตัดเหล็กขาดนี่แหละใจของโลกพวกเราก็เหมือนกันคือว่าพลังคํำนี้นะคือถ้ารวมให้เป็นหนึ่งจิตใจให้รวมเป็นสมาธินะจิตใจที่เป็นสมาธิเนยะ เพระนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงไปบำเพ็ญอยู่ที่โคลนต้นโพนวันเดือนหกเพนหลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกอันนี้คือพระพุทธเจ้าไปรวมพลังคือรวมพลังคือยัรวมดินน้ำลมไฟอันนี้รวมพลังใจของพระพุทธองค์พระไทยของพระองค์แนวแนวความนึกคิดของโป่งแต่ตอนหัวค่าพอพระองค์รวมรวมพลังก็จริงแต่มันยังสลับ จิตใจยังสลบออกไปข้างนอกไปเห็นนางตัญหาลาคาอรดีพยามารจิตใจมันสลับออกไปข้างนอกพระองค์ก็ตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ด้วยจิตอธิษฐานให้เป็นหนึ่งจิตใจเขาจะไม่หวั่นไหวไควแกวงกับเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลง อใครายๆก็ว่าเอาชนะมันได้อไม่เกี่ยวข้องไปดูมันตัดขาดมันอไม่ทําใจให้เป็นหนึ่งไม่ให้เกี่ยวข้องกับอะไรเนี่แหลพะพอใจเป็นหนึ่งเท่านั้นเองเถอะนะตัดขาดจากเรื่องกิเลสภายนอกอราคานางตันหาราขาอรดีกัน น, ะนั่นละเนรละเนระนาฏไปเพราะอะไรเพราะใจเรา พระองค์พระใจพระองค์ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเนื่อเมื่อพระองค์ได้ตัดรู้พระ อ, อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์จังนึกนึกย้อนหลังไปว่าอสมัยนะั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนางตันค่นานางตันหาราคาอราดีเนอพระองค์ยังนึกได้ว่ามันกามเอ่ยเรารู้จน เง่าของเจ้าแล้ว9้าเจ้าเกิดมาจากความดำดริฤคํานึงถึงนั่นเองเจ้าจึงเกิดขึ้นมาได้แต่บัดนี้เรารู้ตนเง่าของเจ้าแล้วเราจะไม่ดำิกคำานึงถึงเจ้าอีกเจ้าจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเจ้าก็ต้องอยู่แบบเก้อเเกินเขินะเพราะเราไม่ได้ำดำดำดำคํำนึงถึง อันนเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้และท่านมองเห็นว่าต้นเง่าของ เ, อเรื่องการม ก, กิเลส เ, เกิดมาจากไหนเพราะเกิดมาจากด้วยความรำริดำริคํานึงถึงนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธองค์ท่านได้ย้อนดูย้อนหน้าย้อนหลังจากนั้นพระองค์ได้ตดรัสรู้ในวันเดือน6กเพ็นเพราะพระไทยใจของพระองค์รวมสงบเป็นหนึ่งเป็นเอกเทศเป็นพรัง จากนั้นพระ อ, องค์ก็เกิดยานรัตนะเกิดฌานคือความรู้ขึ้นมาพิเศษที่ขึ้นมาจากนั้นพระ อ, องค์กอมองดูตัวเองมองดูสรรพสัตว์จากนั้นผลจุดท้ายพระ อ, องค์ก็มองดูพระไทยใจของพระ อ, องค์เองจนตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากพระไทยใจบริสุทธิ์หลุดพ้นประ ก, กาศได้เลยว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่เยอะมาเกิดอีกแล้ว สิ่งที่ทาที่ทำให้เรามาเกิดนะั่นคือกิเลสราคะโทสะโมหะนี่แหละอันนี้ก็คือทำคำสอนของพุท ธ, ธะแต่สรุปแล้วก็คือออกมาจากพลังพลังสมาธิจิตตานุภาพคือออกมาจากจิตใจของแต่ละท่านแต่ละคนเพราะนั้นเรื่องสมาธิเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐาน ในการประกอบคุณงามความดีที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะนัไม่มีอย่างอื่นออกมาจากสมาธิเป็นเบื้องต้นเหมือนกับตัวหนังสือทั้งหลายทั้งปวงตัวหนังสือภาษาไทยจะออกจากตัวกอไกเท่านั้นถ้าไม่มีตัวกอไกแล้วแล้วตัวอื่นจะเกิดขึ้นมามัน ไ, ไม่สมบูรณ์เหมือนกันเพราะนั้นทารียนก็ต้องเรียนให้ครบตั้งกอไก นี่เนี่นี้ก็เหมือนกันเนี่ยทำคำสอนของพุทธะเนี่ยถ้าจะเรียนเรื่องจิตตภาวนาจิตตานุภาพแล้วต้องเรื่องสมาธิเป็นมาต้องมาก่อนแต่ถ้าว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับการอยู่ด้วยกันมนุษย์ชาติอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคณะอันนั้นต้องพูดเรื่องทานพูดเรื่องทานคือการเสียสละการอยู่ด้วยกันต้องมีน้ําใจต่อกัน มีการเสียสละต่อกันมีเมตตาต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันเออต้องรู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่รู้จักพ่อแม่ปู่ย่าตายายมิตรสหายอันนี้ต้องมีการเสียสละถ้าคนอยู่แต่ต่างคนต่างอยู่ไม่มีความเยื่อใ่ต่อกันเหมือนกับหุ่นยนต์อยู่ด้วยกันจึงจะเป็นกี่ร้อยกี่พันตัวก็เถอะหุ่นยนต์ผลทีสุเกิด ต่างตัวก็ต่างบทสภาพอีกเหมือนกันเพราะอะไเพราะไม่มีใจนี่ก็เหมือนกันคนเร า, ถ, าถ้าอยู่ด้วยกันไม่มีทานะคือไม่มีน้ำใจต่อกันมันหาความสงบสุขไม่ได้นะมีกต่อยู่แบบเหี่ยวเหียวแห้งแห้งกล้งแกลง้กลงลักษณะอย่างนั้นแหละเพราะไะไรเพราะอยู่ด้วยไม่มีน้ำใจ อันนี้ก็คือฐานะคือศีลก็คือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปแล้วต้องมีกฎระเบียบสัมรวมระหว่างกายวาจาใจใจของตนเองสัมรวมกายวาจ า, นะาที่หลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกว่าอยู่กับอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรกับเพื่อนฝูงให้ระวังวาจาสรุปแล้วก็คือศีลศีล ส, สมาธิกับศีล อยู่ระวังวาจานะคือสินระหวังความคิดหนะึ่งคือสมาธินะ่สมาธินะี่แล้วแนวความคิดนะเรื่องทานเรื่องศินเรื่องภาวนาภาวนาระวังเรื่องความคิดนะไม่ให้คิดออกนอกลู่นอกทางจะทํายังไงจึงไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางอันนี้แหละเรื่องภาวนาเนะี่ยกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่เอ ไม่ใช่ทําแบบลละลวมหลวไม่ได้นะขนาดพระพุทธเจ้าที่ท่านไปบำเพ็ญเป็นสยามภูพุท ธ, ธแท้ๆนะเนี่ยไปนั่งอยุ่โ้นตน้นโพเนี่ยนางตัญหาราคาอรดีพยามาณมาลาวีหลังควานนะคือกิเลสภายในพระองค์ออกมาขยับขยื่นนะเกือบสู้ไม่ไหวเหมือนกันกันด้วยพลังคือจิตตานุภาพ พลังสมาธิพลังจิตตั้งจิตอธิษฐานพรค่าพระเจ้าจะแน่วแน่จะไม่ให้หวันไหวไม่ให้ล่ม ล, มลงกับเรื่องกิเลสเหล่านั้นนั่นแหละพราะองค์ตัดพระไทยใจขององค์แน่วแน่อย่างนั้นนะพระไทยขององค์ใจขององค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดความรู้พิเศษขึ้นมานนี่แหละ อันนี้เราต้องมองดูพุท ธ, ธะเหมือนกันนะการมอมเพ็นคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงเราต้องมองพุท ธ, ธะพระพุทธเจ้าท่านตรัสยังไงท่านสอนยังไงท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรจากนั้นเราก็มาฟังแนวความคิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอีกอโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งองค์หลวงตาที่ท่านมีชั้นเชิงเล่เหลี่ยมมากมายที่องค์หลวงตาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราเพราะท่านแตกฉานในทั้ง ทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติปริยัตคือการเล่าเรียนศึกษาของท่านท่านก็มาเปรียบเทียบได้ท่านเรียนจนนิพพุกเป็นมหาป ร, รีญญาท่า น, ช, นชำนิชานาญจากนั้นท่ามาศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นเรื่องสอนเรื่องท่านเรื่องสอนเรื่องจิตวิญญาณเรื่องพลรรังสมาธิเรื่องวิปัสนาหลวงตาเป็นผู้เชี่ยวชาญฉลาด ในการแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเพราะนั้นให้พวกเราศึกษานะศึกษาเรา เ, ราเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้เราอาจจะเป็น ข, ขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายแล้วนะเราอาจจะเกาะขะบวนรถไฟขององค์หลวงตานะหลวงตาแนะนำสั่งสอนอย่างไรเราอยูงรู้แนวทางอยู่ท่านสอนยังไงท่านอยากยังฝากไว้ ในหนังสือในเทปใน MP3 ในสถานในวิทยุให้พวกเราศึกษาอย่าได้เปล่าประโยชน์เกิดมาทั้งทีชีวิตให้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะพเพราะเราได้ศึกษาตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วนะศึกษาดูให้ทีทุวนนะแต่ทุกวันนี้มีสื่อต่างๆาไม่รู้ว่าโซเชียลไม่รู้กี่ข่ายต่อกี่ข่า ย, ายพวกเราศึกษาดู ถ้าว่าจิตใจของเราไม่มั่นคงจริงๆจิตใจของเราไม่แน่วแน่จริงๆเลยวันไหวโวยแวงกวันไหวโวยแวงได้ไง่ายๆเหมือนกันนะหลงทิศหลงทางได้เหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่จะทําให้ยั่วยุยั่วยวนในใจของพวกเราเนี่ยทุกวันเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้ถามใครต่างหากก้มหน้าก้มตาดูโทรศัพท์ทั้งปีทั้งวันเอ มันมีอะไรต่อมีอะไรเสือเสียงกระทิยงแรดอยู่ในนั้นหมดแต่นน้ก็ออกมาก็มาพูดนะแต่นเนอยังดูถูกอีกศาสนาเป็นเหมือนกับยาเสพติดถ้าคนเข้ามาเลยเสพติดแต่หลวงพ่อพูดเดิมงพ่อหนึ่งแสดงความคิดเห็นอีกมุมหนึ่งอีกเหมือนกันนะทั้งสตาลินก็ดีทั้งเมาเซตุงก็ดีอสมัยคอมมินิททุกวันนี้ก็ยังประปลายมาอยู่ ความคิดค ว, ความเห็นจุดนั้นนะเออบอกว่าศาสนาเป็น ญ, ญาเสพติดนะหลวงพ่อวันถ้านจะยกในธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วนะพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นอย่างอื่นที่เราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกนะในนักธรรมคาสอนท่านตรัสมาก่อนเชตาลินเออมากซิสมาก่อนแล้ววนะ่ะ เ, เรื่องเสพติดของโลกนะ่ะคืออะไรคือการมกกิเลส กามกิเลสตัวนี้แหละเป็นยาเสพติดอย่างร้ายแรงทาว่าผู้ใดก็ตามไม่เสพติดในเรื่องการมกิเลสแล้วไปอยู่ชั้นสุดทวาวาฏห้าชั้นอวิหาอัตปาสุศรสาชุศยสเยกนิถาพรมจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกผู้ที่หนีจากตัวการมกามกิเลสเพราะใ น, นเรื่องการมกิเลสเป็นยาเสพติดอย่างร้ายแรง ในทักหลักของพุทธศาสนานะอันนี้หลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังแต่เขาว่าพุทธศาสนาเป็นยาเสพติดแต่หลวงพ่อว่ายกทำคําสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเปรียบเทียบให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ายาเสพติดของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกไม่ว่าดพบภูมิใดตั้งแต่สวรรค์ลงมาเทสวรรค์ทุกชั้นมนุษย์ทุกภพภูมิ สัตว์ที่ฉาญทุกตัวมีแต่พรหมพรหมสวยสวยความสุขปีติสุขเอกคตาพวกพรหมชัฏนรกเนี่ยไม่มีกามั ก, กเกลิเพราะมันทุกเกินไปไฟเผาไหม้ล้นอยู่ตลอดเวลามันคิดไม่ได้มันทุกจริงๆไอ้พวกเปรตพวกเหมือนกันหิวโหวยจนเกินไปจนไม่รู้จักอะไร มีแต่ความทุกข์ตอนนั้นบีบคั้นแต่พอมาเกิดเป็นสัตริรชาตขึ้นมาไม่ว่าตัวบุ่งตัวหนอนไม่ว่าตัวสัพพสัตต์ทั้งหลายตัวนี้แต่ะเป็นตัวที่สำคัญทำให้สัพพสัตต์ทั้งหลายติดอยู่ในโลกวัตฏสงสารเพราะนั้นพวกเราจะไปเพ่นมองทางอื่นที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทางนี้ทางนั้นอย่าเพิ่งเชื่อ น, ะนาไปคิดซะก่อนอนาไปคิดซะก่อนเก่งไหม หลวงพ่อนำธรรมคําสอนของพุทธะนะมาบอกมากล่าวให้กับพวกเราได้ฟังว่าอย่าเสพติดที่ร้ายแรงที่สุดในหลับธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระหานตสาวกท่านวัฒกามกิเลสเป็นยาเสพติดอย่างร้อยแรงให้พวกเราเลิกดูสิขนาดพระพุทธเจ้าทันวัฒดูก่อนกามเอ่ยเรารู้จักต้นเง่าของเจ้าแล้ว เจ้าเกิดมาเพราะาะความดำริคำหนึงถึงนั่นเองแต่บัดนี้เรารู้แล้วว่ามันเจ้าเกิดมาจากจุดนั้นเราจะไม่ดำดำริคำหนึ่งถึงเจ้าอีกเจ้าจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยพระองค์เยยเยยเรื่องของกา ม, ม ก, กิเลสพอได้ในพวกเราฟังดูนะศึกษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังพูดให้ฟังเป็นแนวแถวของพุทธะ เป็นแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ศึกษามาได้ฟังมาที่ว่าหลวงพ่อทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตในพระพุทธศาสนาเป็นเวลาทั้ง60สิปีอย่างที่ว่าดเนี่ยหลวงพ่อได้ศึกษามาจุดนี้หลวงพ่อเห็นด้วยเออยาเสพติดจนนี้ร้ายแรงมาก อ, อไม่ต้องพูดดอกออยาบ้ายามาคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอันนั้นจิ๊บจ้อย เปลอกเปลือ ก, อกนอกๆแต่ตัวนี้มันติดอย่างร้ายแรงจนติดจนไม่กล้า พ, พวกเสพติดด้วยกันจนไม่กล้าพูดถ้าจะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอย่าพูดเพราะมันติดด้วยกันทุกคนมันลักษณะอย่างนั้นพวกเราพวกเราฟังฟังดูนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่นะเพราะมันติดทุกคนนะมันก็เลยอย่าพูดอยพูดจะ่พูด เพราะมันติดด้วยกันทุกคนฮะทุกวินแานทุกสรรพสัตว์ด้วยจนถึงเทวดาด้วยนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราตั้งตันหลายฟังนะนั่งฟังแล้วนาไปคิดเชื่อแล้วไปเชื่อมันจุดแท้แต่ใจของเราหลวงพ่อเองก็ไม่บังคับให้เชื่ออีกต่างหากนะหลวงพ่อเทนนำทำคําสอนออกมาบอกกล่าวเท่ า, น, านั้นเองจริงไหมเท่านั้นเอง แต่ตอนนี้ไปพระสง์อัุโมทนาราให้พรรับพรณฑ น, นีเนา